โดยการศึกษาคนพัฒนาเป็นภาวิตะหรือภาวิศึกษาครบไตรสิกขาจาตุภาวิตก็มาครบเต็มคนทีนี้ก็มาถึงเรื่องการศึกษาพูดตามคําพระนี่ก็คือสิกขาที่มาในชุดไตรสิกขานั่นเองเป็นเรื่องใหญ่มากคือเป็นทั้งหมดของพระพุทธศาสนา ในภาคปฏิบัติซึ่งจะทําให้คนมีวิถีชีวิตที่เป็นมรคคือเราต้องการให้คนดําเนินชีวิตในวิถีของอริยชนที่เรียกว่าอริยามรค า, ขาเขาก็ต้องมีการศึกษาที่ฝึกหัดพัฒนาตัวเขาให้รู้จักดําเนินชีวิตหรือมีวิถีชีวิตได้อย่างนั้นสิ่งที่ต้องการคือวิถีชีวิตอย่างอริยชนที่เรียกว่าอริยามรค เมื่อพูดเป็นเรื่องราวในระบบเรื่องการศึกษาจนถึงไตรสิกขาจึงอยู่ในตอนของมรคและในพุทธธรรมเล่มใหญ่ของเก่านั้นก็ได้เขียนเรื่องการศึกษาสิกขาไตรสิกขานี้ไว้เป็นหัวข้อย่อยหนึ่งในบทนำของมัชฌิมาปฏิปทาคือบทนำของมรคนั่นเองแต่ดังที่ว่าแล้วไตรสิกขาเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าไม่มีสิกขาคนก็ไม่เข้ามรคา ไม่รู้จักเดินไปในมัคคาเมื่อพุทธธรรมพิมพ์ออกมาในปีพุทธศักราช5 2 5แล้วก็จึงคิดว่าจะเขียนเรื่องการศึกษาแห่งตรายศิกานี้ไว้เป็นบทใหญ่อีกบทหนึ่งแต่ก็อย่างที่ว่าแล้วเมื่อเวลาผ่านไปก็เห็นได้ว่าโอกาสจะไม่มีอย่างไรก็ดีเรื่องการศึกษานี้ไม่ต้องรอไว้ต่อเมื่อมีโอกาสเขียนใส่เพิ่มในพุทธธรรม เพราะเป็นงานของชีวิตงานของสังคมที่สนใจและดาเนินกันอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆก็นิมนต์ไปพูดและมาฟังเน้เรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาอยู่เรื่อยๆและพูดแล้วก็มกักพิมพ์เป็นเล่มหนังสือเรื่องการศึกษาและรายสิกธิขาก็จึงมีอยู่ในหนังสือเล่มย่อยๆมากหลายเล่มในระยะเวลา30ปีที่ผ่านมานั้น แม้ในด้านของหนังสือพุทธธรรมเองก็ไม่ถึงกำหนดโอกาสเสียที่เดียวย้อนหลังไปในปีพุทธศักราช2544ได้มีการขอพิมพ์พุทธธรรมฉบับเดิมซึ่งเป็นหนังสือขนาดเล็กหรือย่อมๆนับเป็นครั้งที่สิบพุทธธรรมฉบับเดิมนั้นก็ไม่มีข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทางสำนักพิมพ์ธรรมสภาที่รับพิมพ์งานนี้ก็พิมพ์ข้อมูลขึ้นมา และคราวนั้นเมื่อได้โอกาสก็เลยเขียนบทว่าด้วยการศึกษาขึ้นมาเป็นบทเพิ่มเติมท้ายเล่มมีสาหน้าท่านนำมารวมในเล่มใหญ่นี้ก็คงได้สัก12ถึง13หน้าแต่ก็ไม่ได้เอามารวมไว้เป็นการเชื่อมโยงหลักมรรคบีองค์8กับสิกขาสาจนถึงภาวนาสี่จบลงด้วยภาวิสี ขอเล่าเรื่องที่เป็นหลักใหญ่อย่างหนึ่งในทางการศึกษาแม้จะยังไม่ถึงหรือยังไม่ได้มีโอกาสหรือยังไม่ได้โอกาสที่จะเขียนเรื่องการศึกษาเป็นบทหนึ่งโดยเฉพาะในหนังสือพุทธธรรมอย่างที่คิดไว้ก็จะได้พูดถึงสารา ส, สาคัญบางอย่างไว้ในช่วงวัยตอนท้ายของการเป็นสัมมเนนในพุทธศักราช2503ถึง2504อัตมาเรียนอยู่ที่มหาจุฬา กำลังจะจบปริญญาตรีซึ่งมีวิชาการศึกษาอยู่ในหลักสูตรพุทธศาสตร์ด้วยเวลานั้นวงการศึกษากำลังชื่นชมนิยมการศึกษาแบบโปรเกรสซีฟเอเ c คชั่นซึ่งมีจอร์ดิอียเป็นตัวชูที่จริงเป็นช่วงสุดท้ายที่การศึกษาแบบนี้โดดเด่นหลังจากรุ่งเรืองในอเมริกามาเครื่องสัตววัตเศษท่านอาจารย์ที่มาบรรยายวิชานี้อยู่ในสายของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตรซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธท่านก็บัญญายเรื่องนี้ทำให้ได้ยินชื่อของจอร์นดิวีอยู่เสมอในวงการศึกษาสายนี้ได้ยินเรียกโดยออกเสียงอย่างที่บางทีเอามาเอ่ยกันเชิงล้อว่าจอ์นดุยในกระบวนการโปรเกรสซีฟเอเจคชั่นนั้นเน้นแนวคิดการศึกษาแบบมีเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้การศึกษาเป็นการพัฒนาคนแบบองค์รวมหรื อ, อยังบูรณาการตรงนี้แหละที่สำคัญคือในการศึกษายัางบูรณาการนั้นมีแนวคิดที่เด่นในเรื่องพัฒนาการสีด้านได้แก่ 1. physical development พัฒนาการทางกาย 2. mental development พัฒนาการทางปัญญา 3.Emotional Development พัฒนาการทางจิตใจ 4.Social Development พัฒนาการทางสังคมเวลานั้นอันตมาคงชอบหลักพัฒนาการสีด้านนี้ไม่น้อยก็เลยจำติดมาเรื่อยต่อมาอีกนานพอสมควรจึงพบเรื่องภาวิศีในพระไตรปิฎกภาวิตะหรือภาวิษ ใช้เป็นคุณศัพท์ถ้าเป็นภาวานามก็เป็นภาวนาน่าแปลกใจว่าหลักภาวิตนี้ไม่ได้ยินพูดหรือเขียนถึงกันเลยทำให้ต้องค้นหาศึกษาให้ชัดขึ้นตัวเองก็แปลกใจว่าความคิดเรื่องนี้ของปราตะวันตกมาสอดคล้องหรือใกล้เคียงดูเผลๆเหมือน ก, นกันกับหลักในพระพุทธศาสนา ภาวิศีถ้าแปลโดยใช้สํานวนเดียวกับพัฒนาการสีด้านคือ 1. ภึ่งพาวิกายพัฒนาแล้วทางกาย 2. ภาวิศีนพัฒนาแล้วทางศีลหรือทางสังคมนั่นเอง 3. ภาวิจิตพัฒนาแล้วทางจิตใจ 4. ภาวิปัญญาพัฒนาแล้วทางปัญญา หลักพัฒนาสีด้านของปราตะวันตกกับของพระไตรปิฎกนี้แม้ดูเหมือนจะตรงกันแต่ก็มีข้อแตกต่างกันหลายอย่างในภาษาบาลีการพัฒนาของคนเรียกว่าภาวนาส่วนพัฒนาเป็นคำสามัญแม้ถึงขยายตัวใหญ่โตขึ้นแม้แต่กองขยะโตขึ้นก็เรียกว่าพัฒนา ก่อนจะพูดถึงความแตกต่างก็ยกตัวอย่างพุทธพจนิตรัสเรื่องภาวิศีมาให้ดูสักแห่งหนึ่งจากอังคุตระนิกายปัญจการนิบาตอนาค ต, ตภัย5ประการเป็นชไหนกล่าวคือในการอนาคตจะมีภิกษุทั้งหลายผู้มีใช่พาวิศกายมิได้พัฒนากายมีใช่ภาวิศศีลมิได้พัฒนาศีล มิใช่ภาวิจิตมิได้พัฒนาจิตมิใช่ภาวิปัญญามิได้พัฒนาปัญญาภิกษุเหล่านั้นทั้งที่ตนมิได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลมิได้พัฒนาจิตมิได้พัฒนาปัญญาก็จะเป็นอุปชาให้อุปสมบทคนอื่นๆและจักไม่สามารถแนะนำผู้ที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้นในอาติศีลในอาติจิตคือสมาธิ ในอธิปัญญาแม้เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้นก็จักเป็นผู้ไม่ใช่พาวิตกายไม่ใช่พาวิทยศีลไม่ใช่พาวิทยจิตไม่ใช่พาวิทปัญญาเหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้นทั้งที่ตนไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลจิตและปัญญาก็จักเป็นอุปช า, าให้อุปสมบทคนอื่นและจักไม่สามารถแนะนาเหล่าคนที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้น ในอาทิศีลในอาทิจิตในอาทิปัญญาแม้เหล่าคนที่ได้รับอุปสมบทนั้นก็จะเป็นผู้ไม่ใช่ภาวิตกายไม่ใช่พาวิศีลม่ใช่พาวิตจิตไม่ใช่ภาวิาวตวปัญญาภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนนี้แหละเพราะทำเลเลือนวินัยก็เละเลือนรอวินัยเละเลือนทำก็เละเลือน ภิกษุทั้งหลายอนาคตภัยข้อที่หนึ่งนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในบนัดนี้แต่จะบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนั้นอันเถอทั้งหลายพึงตระหนักรู้ไว้รันรู้ตระหนักแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันภัยนั้นเสียพุทธพจนิตรัตพาวิสีข้างบนนี้ ได้แสดงไว้ในพุทธธรรมใหญ่เล่มเก่าเมื่อ30สปีก่อนนั้นในบทว่าด้วยโยนิโซโมนาสิการบทที่18และในตอนอื่นก็มีภาวิศีในข้อความอื่นแต่ในเล่มเก่านั้นได้แปลเป็นภาษาไทยโดยไม่ได้แสดงคำเดิมไว้ยาที่จะสังเกตเห็นดังนั้นในเล่มพิมพ์ใหม่จึงแสดงคำเดิมให้เห็นรูปศัพท์ไว้เพื่อสะดวกต่อการศึกษาด้วย งานที่ยังต้องทำก็คือการเชื่อมโยงหลักเหล่านี้ให้เห็นความสัมพันธ์เป็นระบอบ ก, การศึกษาและอธิบายความหมายในระบบความสัมพันธ์นั้นการพัฒนาสีด้านของปราตะวันตกกับของพระไตยปิดอกนี้ที่ว่าคล้ายจะตรงกันแต่ที่จริงมีข้อแตกต่างที่สำคัญหลายอย่างขอให้สังเกตไว้สอย่างคือ 1. การพัฒนาทั้งสี่นั้น ทางตะวันตกจัดเป็นเนื้อตัวของการศึกษาเองแต่ในพุทธศาสนาแสดงไว้ในฐานะเป็นคุณสมบัติของบุคคลอันเป็นผลของการศึกษา 2. การพัฒนาทั้ง4นั้นทางตะวันตกถือเป็นองค์แห่งบูรณาการของการศึกษาแต่ในพุทธศาสนาภาวะของคนที่พัฒนาแล้วทั้ง4ด้าน เป็นบูรณาการแห่งคุณสมบัติของบุคคลที่เกิดขึ้นจากบูรณาการของการศึกษาสามด้านที่เรียกว่าไตรสิกขา 3. พัฒนาการสีข้อนั้นแม้จะมีชื่อที่ถือได้ว่าเหมือนกันแต่ที่จริงของตะวันตกกับของพระไตรปิฎกแต่ละข้อมีความหมายต่างกันทั้งโดยขอบเขตเนื้อหาสาระ แ่ด้านและความสัมพันธ์ 4. ปรัตตวันตกที่ตั้งแนวคิดนี้อยู่ในการศึกษาระบบโรงเรียนเวลาเนืกคิดท่านก็ปรารบการศึกษาของเด็กนักเรียนความหมายของพัฒนาการเหล่านั้นจึงมุ่งจึงเน้นไปที่เด็กดังเห็นง่ายๆพัฒนาทางกายก็มุ่งหมายที่ความเจริญเติบโต และสุขภาพทางกายเป็นสำคัญส่วนในพระพุทธศาสนาการศึกษามีความหมายอยู่แล้วว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนต่อชีวิตของตนในฐานะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกความหมายของพัฒนาการเหล่านั้นจึงขยายออกไปตามระบบความสัมพันธ์ของสัพพชีพสัพพสิ่งในที่นี้จะพูดไว พอให้เห็นเพียงในข้อที่สมเฉพาะข้อแรกคือพัฒนาการทางกายและการบอกความแตกต่างนี้ไม่ใช่เป็นการเทียบว่าของใครดีกว่าแต่เพียงให้รู้เรื่องราวที่มีอยู่ตามที่มันเป็นของมันซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในทางปัญญาพัฒนาการทางกายของตะวันตกก็อย่างที่รู้กัน หมายมุ่งที่ความเจริญเติบโตและสุขภาพที่สมบูรณ์ของร่างกายส่วนในพระพุทธศาสนาคำว่าพัฒนาทางกายอาจจะสื่อความหมายไม่ถูกต้องจึงพูดว่าพัฒนาการทางกายภาพเพราะความหมายมิใช่อยู่ที่ร่างกายของตนแต่หมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ความหมายนี้ประสานหรือเข้าคู่กับพัฒนาการข้อที่สองคือพัฒนาการด้านศีลคือพัฒนาการทางสังคมซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในการอยู่ร่วมกันด้วยดีกับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ที่ร่วมโลกไม่เบียดเบียนแต่เกื้อกูลกันพัฒนาการทั้งสองด้านนี้สืบเนื่องมาจากการศึกษาข้อหรือองค์ที่หนึ่ง ในายศิกขาคือศีลหรืออาธิศีลสศิขาซึ่งเป็นการปรกครองดูแลรักษาใช้กายและวาจาของบุคคลในการสัมพันธ์กับหรือปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้โดยแยกขั้นต้นหรือด้านแรกคือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัตถุทั่วไปซึ่งเน้นแค่กายคือการใช้อินทรีย์ห้า เป็นพัฒนาการทางกายภาพและด้านที่สองคือความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมโลกหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมซึ่งใช้ครบทางกายและวาจาเป็นพัฒนาการทางสังคมซึ่งเป็นการพัฒนาในขั้นที่เต็มความหมายของศีลพัฒนาการข้อ1และข้อ2นี้รวมแล้วก็คือ ความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้งทางสังคมและทางกายภาพให้อยู่ร่วมกันด้วยดีมีสภาพที่เกื้อกูลซึ่งนอกจากมีความสำคัญในตัวมันเองแล้วเมื่อพัฒนาโดยสัมพันธ์ถูกต้องแล้วก็เป็นฐานรองรับและเป็นปัจจัยที่เอื้อเกื้อหนุนการพัฒนาทางจิตใจและทางปัญญาคือข้อสและข้อสี่ต่อไป คนที่มีความสัมพันธ์ดีงามเกือ้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนั้นเรียกว่าภาวิจกายส่วนการปฏิบัติในการพัฒนาความสัมพันธ์นั้นก็มีคำเรียกคือกายภาวนา